วันนี้เป็นวันอังคารที่21ดตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมวันธรรมพระนิพพานให้แจ้ง ให้ปรากฏขึ้นมาเพราะว่าการทำพันิพานให้แจ้งให้ปรากฏขึ้นมาเป็นมงคลอย่างยิ่งนิบบานะสัจจิกิริยาจะเอตัมมังกาลมุตตมังนี่คือคำสั่งคำสอนของพระบรมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ส่งแสดงความเป็นมงคลของพระนิพพานไว้ในมงคลสาสิบดอะไรคือนิพพานนิพพานคืออะไรนิพพานก็คือจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเครื่องเศร้าหมองต่างๆ เป็นจิตใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดการที่จะทำให้จิตใจเป็นนิพพานขึ้นมาเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์จำเป็นที่จะต้องมีการซักพอกด้วยทำสามประการด้วยกันทำที่พทธเจ้าทรงสอน ว่าเป็นเครื่องซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นนิพพานให้เป็นบรมีสุขให้เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่จิตใจก็คือการทำทานการรักษาสีลและการภาวนานี่คือเครื่องซักพอกใจเครื่องทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อทำใจให้นิพพานแจ้งขึ้นมาปรากฏขึ้นมาในใจจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติทำทั้งสามประการนี้ดังที่สาธุชนพุทธบริสัตวได้มากระทำกันในวันนี้เพราวาเห็นว่าเป็นวันพระวันที่พระบรมศาสดาทรงกำหนดไว้ ให้สาธุชนผู้ฝ่ายทมผู้ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงผู้ปรารถนาพันธิพานให้ได้ปล่อยวางหยุดภา ร, รกิจการงานทางเลี้ยงดูร่างกายการหาความสุขทางโล ก, กธรรมไว้ชั่วคราว เพื่อมาทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อมาซักพอกจิตใจกําจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่เป็นตัวสร้างความเศร้าหมองต่างๆให้แก่จิตใจที่พาให้จิตใจยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่อยู่เรื่อยๆ ถ้าสามารถกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้จิตใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาจิตใจก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะเหตุปัจจัยที่ดึงให้จิตใจไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัณหาโมหะวิชาเครื่องเศร้าหมองต่ตางๆเหล่านี้นั่นเอง พอไม่มีกิเลสตัณหาโมหะวิชาเครื่องเศร้าหมองอยู่ในใจแล้วใจก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายไปทุกข์กับการเกิดเพราะเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องเถอกับความทุกข์ต่างๆทุกในการดำรงชีพต้องเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ได้ ให้มีปัจจัยสีแล้วยังต้องคอยป้องกันภัยต่างๆที่มากระทบกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติเช่นไฟไหม้น้ำท่วมพายุดินแผ่นดินถลม่มแล้วก็ภัยที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แล้วก็ภัยที่เกิดจากบุคคลที่มีประสงค์ดีพวกมิชอาชีพต่างๆล้วนมีแต่ความทุกรอบด้านในการมาเกิดแล้วยังต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายเอง <c oughs> ร่างกายที่จะต้องเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆโยครคภัยไข้เจ็บก็จะเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็ถึงแก่ความตายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเกิดมามีความสุขมากน้อยเพียงไรก็ตามจะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ดีเป็นพระราชามหากสัตมหาจากักรพัชก็ดีเป็นคนเก่งคนฉลาดคนอะไรก็ดี<ม>ก็หีเกลียงความทุกข์ต่างๆที่มากับการเกิดไม่ได้ ถ้าอยากจะไม่เจอกับความทุกข์เหล่านี้ก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นและการจะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องกําจัดเหตุที่พาให้จิตใจมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเหตุก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา<ม>หรือถ้าสรุปลงก็ตัณหาความอยากสามประการด้วยกัน กามตัณหาความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากหล่ออยากเก่งอยากฉลาดอยากอะไรทั้งหลายทั้งปวงอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เรียกว่าภาวะตัณหา วิภาวะทันหาคือความอยากไม่เป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นทุกข์อยากไม่เจอกับโครคภัยไข้เจ็บอยากไม่แก่อยากไม่สูญเสียสิ่งต่างๆที่รักที่ชอบไปเป็นต้นเรียกว่าวิภาวะทันหาทันหาทั้งสามนี้นอกจากจะพาให้มาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจตลอดเวลา เวลาใดที่เกิดตัณหาตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาใจจะวุ่นวายขึ้นมาทันทีใจจะไม่นิ่งไม่สงบไม่เป็นปกติใจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจรู้สึกเศ้าซร้อยก่อเงารู้สึกว้าเวขึ้นมารู้สึกอ ด, ดนั่นขาดนู่นขาดนี่ขึ้นมาไม่มีความรู้สึกว่าอิ่มว่าพอถ้าไม่กำจัด การหาทั้งสามนี้ใจก็จะอยู่กับกองทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าได้มา <c oughs> ทำปฏิบัติทำสามข้อที่พระเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติก็จะช่วยลดละกำจัดความอยากต่างๆให้น้อยลงไปเป็นขั้นเป็นตอนไป ขั้นตอนแรกก็มากาจัดตัญหาความอยากที่เกิดจากการใช้เงินใช้ทองไม่ถูกวิธีเงินทองที่เราหามาได้นี้เป้าหมายหลักควรจะเป็นการเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขเท่านั้นก็คือหน้าที่ของเงินทองที่แท้จริงมีเท่านี้มีไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงดูร่างกาย เพื่อร่างกายจะได้มีกำลังวังชาที่จะได้มาปฏิบัติะาะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อทำพระนิพพานให้แจง้งเท่านั้นเองไม่ควรเอาเงินนี้ไปทำตามความอยากต่างๆเพราะการทำตามความอยากก็เหมือนเท่ากับการเพิ่มความอยากที่มีอยู่ในใจให้มีเพิ่มมากขึ้นเพิ่มความทุกข์ให้มีมากขึ้น เพิ่มการเวียนว่ายตายเกิดให้นานขึ้นไปอ น, นี่การทำทานนี้ก็จะช่วยลดความอยากที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆได้ความสุขที่ไม่ที่ไม่จรรังถาวร น, นักเป็นความสุขที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความสุขได้จากการเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็พอแล้ว อย่าเอาความเอาเงินไปซื้อความสุขจากการไปดูไปฟังไม่กินไปดื่มสิ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องกินต้องดื่มไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่จําเป็นทั้งหลายนี้อย่าเอาเงินทองเหล่านี้ไปใช้มันเป็นการทําตามตันหาความอยากคือการมาตันหาบ้างภาวะตันหาบ้าง บางคนก็ใช้เงินเพื่อไปซื้อตําแหน่ง<ม>ไปซื้อยศ<ม>เวลามีการเลือกตั้งก็ลงทุน<ม>เอาเงินไปหาเสียงกันอะไรกันไปซื้อเสียงหาเสียงกันเพื่อที่ได้ยศได้ตําแหน่งขึ้นมามมนี่คือการใช้เงินทองที่ไม่ถูกทางไม่ได้เป็นการลดละตันหาความอยากให้มีน้อยลงไป แต่กับเพิ่มตัณหาความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจะทำให้พบชาติเวียนว่ายตายเกิดนี้ยาว อ, ออกไปเรื่อยๆอ ย, อย่างไม่มีวันสิ้นสุดเราต้องลดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงด้วยการลดตัณหาความอยากให้มันน้อยลงไปมีเงินมีทองอย่าเอาไปซื้อพบซื้อชาติก่อพบพก่อชาติด้วยการทำตามความอยากต่างๆ วิธีที่จะตัดการใช้เงินไม่ถูกทางก็คือเอาไปทําบุญทําทานแทน<ะ>ทําบุญกับบุคคลที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาปุย่าตายาย<ะ>คูบาอาจารย์ทั้งหลาย<ะ>แล้วก็ทําบุญกับผู้มีพระคุณอื่นๆ<ะ>แล้วก็ไปทําบุญกับสถาบันที่เป็นสถาบันที่ที่ช่วยเหลือ ให้ผู้ให้สังคมอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลเป็นองค์กรสาธารณสาธาะต่างๆที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมเอาเงินไปทำบุญกับบุคคลเหล่านี้จะดีกว่าเพราะจะลดความอยากที่จะเอาเงินไปซื้อความอยากตอบความอยากให้มากขึ้นนั่นเอง การอยากจะไปซื้อกระเป๋าใหม่ทั้งๆ ท, ที่มีกระเป๋าเต็มตู้แล้วอพอละกระเป๋ามีเหลือเฟือแล้วอยากจะซื้อกระเป๋าก็เอาเงินซื้อกระเป๋านี้ไปทําบุญดีกว่าจะทําบุญกับใครก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องทํากับศาสนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเอง<ม>ทําบุญกับผู้อื่นก็ได้บุญ<ม>ก็คือได้กําจัดความอยากที่จะไปเที่ยวที่อยากจะไปซื้อของเพิ่มเฟือยต่างๆ รับประกันได้ถ้าทุกครั้งที่อยากจะซื้อของฟุ่งเฟยแล้วเราไม่ซื้อมันเนี่ยแล้วเอาไปทำบุญเนี่ยความอยากจะซื้อของฟุ่งเฟยต่างๆจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าการทำบุญนี้นอกจากสกัดความอยากลดความอยากแล้วมันทำให้ใจมีความสุขมีความอิ่มมากขึ้นมีความพอมากขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้มีความสุขได้ ไม่ต้องซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็มีความสุขได้ไม่ต้องซื้อรองเท้าคู่ใหม่ก็มีความสุขได้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นจากการไปเอาเงินที่จะไปซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปให้กับการทำบุญดีกว่าทำบุญทาทานทำกับบุคคลต่างๆก็ได้ทำกับศาตว์เดลาชานก็ได้ มีวิธีทาบุญทําทานเยอะแยะบางท่านชอบทําบุญกับสัตว์เดือดฉานก็มีไปปล่อยปล่อยนกปล่อยปลาไปถ่ายชีวิตวัวควายที่เขาจะเอาไปฆ่ามาทําเป็นอาหารวิธีการเหล่า น, นี้แหละเป็นวิธีของทานคือการให้เราให้ทรัพย์สมบัติเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ส่วนที่เราจําเป็นจะต้องมีต้องเก็บก็เก็บเอาไว้อันนี้ไม่ได้ ไม่ได้ให้ให้หมดการทำบุญทําทานต้องไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนตัวเองต้องอยู่ได้อย่างมีความสุขมีปัจจัยสี่พอเพียงต่อการดำรงชีพมีสํารองไว้เผื่อในวันข้างหน้าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่รายได้ถดถอยก็จะได้มีเงินสํารองมาช่วยดูแลส่วนที่มันขาดไปหายไปแต่ถ้ามีมากเหลือเกิน เกบไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรให้เป็นประโยชน์ตายไปก็ไม่ได้เอาไปไม่ได้ส่วนนี้แหละที่เป็นส่วนที่คนส่วนใหญ่มักจะเอาไปใช้กับของฟุ่มเฟือยต่างๆใช้กับของหรูหราใช้กับการไปหาความสุขอย่าง ก, การไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆบินกันไปต่างประเทศกันบินไปประเทศนั้นบินไปประเทศนี้บินไปไปเที่ยวก็สนุกสนานเฮฮาไปสักพักหนึ่ง พอ ก, กลับมาบ้านก็เหมือนเดิมความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาก็กลับมามก็ต้องไปเที่ยวอีกทเที่ยวเท่าไรก็ไม่อิ่มไม่พอมไม่เหมือนกับเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้ไปทำบุญไปทาบุญแล้วกลับมาอยู่บ้านรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจมีความปิติป่าบปื้มในการเสียสละแบ่งปันบุญนี้จะสะสมไว้ในใจต่อไปด้วยไม่ได้จางหายไปเหมือนกับความสุขที่ ไดจากการไปทำตามความอยากต่างๆเราจะทำให้อยู่บ้านได้อยู่บ้านเฉยๆได้ไม่ค่อยวุ่นวายไม่เดือดร้อนใช้ของเก่าๆได้อยู่แบบมากน้อยสันโดษได้ไม่เดือดร้อนว่าเรามีของน้อยมีของไม่มีของหรูหรามีของเรียบง่ายไม่สนใจใครจะดูถูกดูแคลนก็ไม่ไม่เดือดร้อน เขพอใจมีความสุขจากการทําบุญจากการเสียสละแบ่งปันของตนเองอันนี้แหละที่จะทําให้ช่วยลดความกดดันในการที่จะต้องไปทํามาหากินหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาตอบสนองตัานหาความอยากต่างๆเมื่อเราไม่มีความกดดันเราก็จะสามารถทำมาหากินอย่างอย่างสบายไม่มีอะไรมากดดัน ได้มากได้น้อยก็ทําก็หามาก็พอใจไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําบาปนะคนที่ต้องการเงินมากๆเพราะใช้เงินมากก็เวลาทำมาหากินก็อยากจะได้เงินมากๆได้เงินง่ายๆได้เงินที่หามาได้แบบมากๆง่ายๆมักจะต้องไปทําโดยวิธีทุจริตก็คือทํำบาปด้วยรูปแบบต่างๆโกหกหลอกลวงช่อโกง เป็นต้นหรือบางทีก็ถึงกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็มีนนก็จะทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปตอนที่ทำบุญอยู่เรื่อยๆแล้วจะรู้สึกว่าการรักษาศีลการไม่ทำบาสนี้เป็นของง่ายเพรา ะ, ะคนทำบุญนี้มีใจเมตตามีความปรารถนามีความปรารถนาดีกับผู้อื่น ไม่มีความปรารถนาที่อยคิดร้ายทําร้ายผู้คนทาบุญจึงมักจะไม่ทำบาปกันเพราะว่าต้องการให้คนอื่นมีความสุขไม่ต้องการให้คนอื่นมีความทุกข์เพราะการให้ความสุขกับผู้นี้มันเป็นการให้ความสุขกับตนเองเช่นเดียวกับการให้ความทุกข์กับผู้ก็เป็นการให้ความทุกข์กับตนเองดังนี้ท่านตัดไว้ว่าให้สิ่งใดกับผู้ใด สิ่งนั้นก็จะกลับมาหาตนให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะกลับมาหาตนให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นก็จะกลับมาหาตนทันที <Yeah. S 2> ก็จะทําให้ไม่กล้าทําบาป ก, กลัวบาป ก, กัน <Yeah. S 2> ก็จะทําให้สามารถรักษาศีลได้รักษาศีลได้ก็จะสามารถระ ง, งับความอยากที่จะไปทําการกระ ท, ทําที่ที่เป็นทิศเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้ แล้วก็จะระงับความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําบาปได้ลดความอยากกระทําบาปก็จะทําให้ใจมีความอยากน้อยลงความทุกข์น้อยลงภพชาติที่จะไปเกิดในอบายก็น้อยลงเพราะว่าอ น, นิสง์หรือผลของการทําบาปนี้จะพ า, าให้ผู้ไปทําบาปนี้ต้องไปเกิดในอบายไม่ได้ไม่ไปเกิดในสวรรค์ไม่ได้ไปสู่สุคติ อบายคือที่ไปของผู้ที่กระทำบาปมีอยู่สัสิสถานที่ด้วยกันคือไปเป็นเดรัจฉานถ้าไปมีร่างกายก็เป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่มีร่างกายก็เป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตหรือเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าอาสุรกายหรือดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ความมาคาดพยาบาทเคียดแค้นจองเวรจองกรรม ก็จะเป็นวิญญาณที่เรียกว่านารกนี้ก็คือที่จะที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดแทนที่จะตัดภพตัดชาติกลับไปเพิ่มการเวียนว่ายตายเกิดแล้วไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพที่ดีด้วยไปเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ไม่ดีเรียกว่าทุกขติหรืออบายทั้งสี่แต่ถ้าเรารักษาศีลด้ไม่ทำบาปไม่ได้ทำตามความอยากทำบาปด้วยด้วยความอยากต่าง อยากมีอยากเป็นบางทีก็ต้องไปโกหกหกลอกลวง<ม>ไปรักทรัพย์ไปช่อกง<ม>หรือไปเป็นไปประพฤติผิดในการมไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่น<ม><ม>การกระทําเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากตั้หาความอยากทั้งนั้นเอง<ม>พอเรามีศีลเราก็สกัดกั้นความอยากเหล่านี้ได้ลดความอยากเหล่านี้ให้น้อยลงได้ทําให้ใจเรา มีพบชาติน้อยลงไปตัดพบตัดชาติด้วยการรักษาศีลด้วยการไม่ทำตามความอยากที่จะทำบาปต่างๆนั่นเองนี่คือการรักพอกจิตใจด้วยการทำทานในเบื้องต้นถ้าเรามีกำลังมีเงินเหลือเฟือเราจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆก็เอาไปทำบุญทาทานแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มี เ้ามีแต่พอมีพอกินเงินเงินที่เราจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็ไม่มีเงินที่เราจะเอาไปเที่ยวก็ไม่มีก็ไม่ต้องทำทานไม่ต้องทำบุญเราก็เอาเวลามารักษาศีลกันเลย<ม>ก็ได้<ม><ม>รักษาศินเพื่อป้องกันไม่ให้ใจเรานี้ต้องไปเกิดในอบาย<ม>เพิ่มพบการเวียนว่ายตายเกิดในอบายให้ยาวขึ้นให้มากขึ้น ด้วยการรักษาศีลห้าให้บริสุดิ์ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการรักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดในการมละเว้นจากการพูดป่นละเว้นจากการเสพอบายมุขเช่นสุรายาเมาและอบายมุขชนิดอื่นเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรและความเกลียดคร้านเพราะการกระทํำเหล่านี้ ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายแล้วถ้าใช้มากๆต่อไปเงินทองก็ไม่พอใช้ mm hmm. เวลาที่จะไปทำงาน mm hmm. ก็ไม่ได้ไปทำงาน mm hmm. เพราะมัวแต่ไปเสพ mm hmm. ประบายยามุก mm hmm. พอเงินไม่พอใช้ mm hmm. ก็ต้องหาโดยวิธีมิชอบนั่นเองไปโกหกหลอกลวงพูดขอยืมเงินเขาแต่ก็รู้ว่ายืมแล้วก็ไม่มีทางที่จะใช้เขาได้ mm hmm. ก็หลอกลวงลักทรัพย์ของเขามาเป็นต้น อย่าไปเสพบาบายามุกแล้วการกระทำบาปก็จะยากเพราะเราไม่มีอะไรมากดดันอย่างเงินทองของเรานี่หมดไปส่วนใหญ่ก็หมดไปกับพวกบาบายามุกทั้งนั้นอะ่ะแต่ถ้าเราไม่เสพบาบายามุกเราก็จะสามารถรักษาเงินทองเอาไว้เลี้ยงดูเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราได้ทําให้เราไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปทําบาปต่างๆ การกระทำบาปลงก็เท่ากับการเป็นการซักพอกใจให้สะอาดขึ้นซักพอ่อใจด้วยทานซักพอกใจด้วยศีลแล้วก็มาซักพอ่อใจอีกขั้นหนึ่งซักพอ่อด้วยการภาวนาที่การซักพอ่อด้วยทานหรือการซักพอ่อด้วยศีลไม่สามารถทําได้ก็คือซักพอ่อกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจที่ไม่ได้ ไม่ได้เกิดจากการไปทำนูน่นทำนี่ไม่ได้เกิดจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไม่ได้เกิดจากการไปทำบาปแต่ยังมีตัณหาความอยากอยู่ในใจอีกมากมายที่มาสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับใจใความอยากเหล่านี้จะหยุดมันได้จะทำลายมันได้นี้จะต้องใช้การภาวนาการภาวนาก็เป็นการซักฟอกจิตใจขั้นละเอียด คือขั้นต้นก็ใช้ทานเป็นการซักพอกขั้นหยาบระลำดับต่อมาก็ใช้ศีลเป็นเครื่องซักพอกขั้นกลางพอมาถึงขั้นละเอียดกิเลสตัณหามันมีอยู่สามระดับด้วยกันขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดขั้นละเอียดก็ต้องซักพอกด้วยการภาวนาความความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจ กามาตัญหาก็มีภาวะตัญหาก็มีวิภาวะตัญหาก็มีแต่เป็นความอยากแบบละเอียดแบบแบบที่ทานไม่สามารถรักษาซักพอกได้แบบที่ศีลไมส่สามารถซักพอกได้ก็ต้องมาภาวนาแต่ก็ต้องอาศัยศีลแต่ต้องเป็นศีลที่สูงกว่าศีลห้ามาช่วยสักพอกศีลที่สูงกว่าศีลห้ามาช่วยสักพอกก็คือศีลแปดเพราะศีลแปดนี้จะมีสา สาสีข้อด้วยการที่มาสกัดกั้นความอยากที่จะไปหาความสุขจากการเสพการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองเช่นศีลข้อสาของศีลแก็คือการระงับ ก, การร่วมเพศกันไม่ให้หาความสุขตามความอยากที่จะร่วมเพศกับคนนั้นคนนี้สกัดกั้นความอยากที่จะร่วมเพศสกัดกั้นศีลข้อหกอหก็สกัดกั้นความอยากที่จะหาความสุข จากการดื่มจากการรับประทานตามความอยากต่างๆก็จะไม่สามารถทำได้ทั้งวันทั้งคืนอนุญาตให้กินเพื่ออยู่เลี้ยงดูร่างกายได้วันละมือ้อสองมื้อเป็นอย่างมากและไม่ให้เกินหลังเที่ยงวันไปแล้วอันนี้เป็นการสกัดกั้นความอยากจากการหาความสุขจากการกินการดื่มแล้วก็มาสกัดกั้นด้วยสียงข้อที่7ก็คือการหาความสุขจากมหรสรบันเทิงต่างๆ หดือการเสริมสวยความงามของร่างกายก็<ม>ต้องไม่ดูหนัง<ม>ฟังเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวให้วิจิตพิสดารเป็นต้น<ม>แล้วก็ไม่นอนมากเกินไปการนอนมากเกินไปก็เป็นการเสพเสพความสุขทางร่างกายอยากอยากหาความสุขจากการหลับนอนทั้งที่ร่างกายก็นอนพอแล้วแต่ยังไม่อยากยังไม่อยากตืน่นยังไม่อยากลุก เพราะว่านอนบนฟูกหนาๆนะมันก็สุกมันก็สบายเกินไปวิธีอยากแก้ก็คือต้องนอนบนฟูกไม่ไม่นอนบนฟูกนอนบนพื้นแข็งแข็งถ้านอนบนพื้นแข็งแข็งพอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อผู้ที่จะมาสร้างพอกใจด้วยการภาวนานี้จําเป็นที่จะต้องรักษาศีลแปดเป็นเครื่องมือสนับสนุนแล้วก็มาสักาพอกขั้นต้นด้วยสติ คือควบคุมใจให้นิ่งให้สงบใจนิ่งสงบความอยากต่างๆก็หยุดทำงานชั่วข่าวแต่ไม่ตายไม่หายไปเวลาที่ใจสงบความอยากหยุดทำงานก็จะเกิดความสุขที่มหัจาจรรย์ใจขึ้นมาจะทำให้มีความบรรยายที่เห็นชัดเลยว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่การสกัดกั้นความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจเบื้องต้นก็สกัดกั้นด้วยสติเป็นการสกัดกั้นแบบชื่อคราว เวลาพผยสติเวลาสติอ่อนมาตัณหาความอยากก็จะออกมาเพิ่มออกมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้ใจใ ห, ให้กับใจอกีกก็ต้องอาศัยขั้นที่สองหลังจากที่ได้ขั้นที่1แล้วก็คือต้องใช้ปัญญาวิปัสสนาให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่สร้างความหิวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจและสิ่งที่ตัณหาความอยากต้องการก็เป็นของ เป็นความสุขชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่รักที่ว่าได้มาแล้วจะให้ความสุขกับเรามันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปหรือมันหายมันมันเปลี่ยนไปหรือมันหมดไปแทนที่จะกลายเป็นการแทนที่จะเป็นความสุขก็เลยกลายเป็นความทุกข์ตามมาเวลาได้ใครมาให้ความสุขกับเราพอเขาเปลี่ยนไปหรือเขาจากเราไปก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาอันนี้คือปัญญาขั้นที่สาม ที่จะสามารถกำจัดความอยากได้อย่างถาวรอันตอนก็ใช้สมถะภาวนาหรือการนั่งสมาธิหยุดความอยากไว้ชั่วเทาวก่อนสมาธิเป็นเหมือนกดความอยากไว้ไม่สามารถทำลายมันได้การจะทำลายความอยากได้ต้องเห็นด้วยปัญญาว่าการทำตามความอยากนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขและการปล่อยให้ความอยากโผล ข, ขึ้นมาก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยใช่เหตุ ทุกครั้งเวลาเกิดความอยากขึ้นมาต้องหยุดมันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งถ้ายังใช้ปัญญาไม่ได้ก็หยุดด้วยสมาธิก่อนแต่ถ้าหยุดด้วยสมาธิได้แล้วก็มาใช้ปัญญาหยุดมันอย่างถาวรด้วยการใช้เหตุผลเหตุผลก็คือความอยากที่เราต้องสิ่งต่างๆที่เราต้องการมันเป็นไตลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราไม่สามารถสั่งให้มันเป็นของเราอยู่กับเรา ให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดมันเป็นอนัตตาเป็นภาวะทางธรรมชาติถ้าไปยุ่งกับมันไปอยากให้มันมาให้ความสุขแล้วไม่ช้าก็เลยก็ต้องต้องร้องหง่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจพอได้เกิดปัญญาแล้วต่อไปก็จะไม่อยากได้อะไรต่อไปไม่อยากเสพการไม่อยากจะหาความสุขจากวิธีต่างๆแม้กระทั่งความสุขจากการเข้าฌานก็ไม่ต้องการเพราะความสุขจากการเข้าฌานมันก็เป็นความสุขชั่วคราวเช่นเดียวกันก็ สามารถทำลายความอยากทั้งหมดได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อจิตได้ทำลายความสุขได้ทำลายความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจได้อย่างสิ้นเชิงจิตก็กลายเป็นจิตบริสุทธิ์ขึ้นมาจิตบริสุทธิ์นีแเราก็เรียกว่านิพานเป็นการทำนิพานให้แจ้งขึ้นมาในจิตใจนั่นแหละจิตใจนี่แหละเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิด และจิตใจนี่แหละผู้ที่จะไปนิพพานที่จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่จะทำได้ก็ต้องมีวันพระอย่างวันนี้เพื่อที่เราจะได้มีเวลาสักพอกจิตใจของเราให้ได้อย่างเต็มที่เพราะว่าการภาวนานี้จะได้ผลดีจาเป็นจะต้องทากันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ใช่มา น, นั่งสมาธิแค่วันละครึ่งชั่วโมงยีังไม่พอเพียงมาพิจารณาปัญญาเพียอแป๊บเดียวนี้ยังไม่พอเพียง เพราะกิเลสมันตั้หาความอยากมันทํางานทั้งวันมันทํางานทั้งวันเราก็ต้องทํางานต่อสู้กับมันทั้งวันเราต้องกําจัดมันทั้งวันเหมือนกันเพราะตื่นขึ้นมาก็อยากแล้วอยากกินอยากดื่มอยากดูอยากฟังมือก็คว้าหามือถือก่อนแล้ววันนี้มีข่าวมีอะไรขึ้นมานะตั้หาความอยากมันทํางานโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเรามีสติคอยสกัดกั้นพออยากพว๊บถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปทํำ ต้องใช้สติถึงจะสามารถที่จะสู้กับมันได้หนึ่งต้องมีเวลาถ้าเราไปทํางาน ม, นมันก็มีข้ออ้างว่าต้องต้องติดตามเรื่องงานเรื่องการต้องทํางานต้องคิดนูน่นคิดนี่นก็จะปฏิบัติภาวนาไม่ได้ต้อง ม, ม, ม, มีวันพระอย่างวันนี้ที่พระเจ้าจึงได้ทรงกําหนดขึ้นมาให้เรามาทําทานมารักษาสี่โดยเฉพาะอย่างยี่มาภาวนาทั้งวันมันเจริญสตินั่งสมาธิสลับประการเจริญปัญญา ถ้าเราสามารถทําได้ทั้งวันทั้งคืนนึกแต่ตื่นจนหลับเนี่ยปัญหาความอยากก็จะค่อยๆหมดไปอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆและในที่สุดเราก็จะสามารถซักฟอกจิตใจให้บริสุทธิ์ได้ทําพระนิพพานให้แจ้งขึ้นมาได้นี่คือคือเรื่องของวันพระวันทำพระนิจทำพระนิพพานให้ให้แจ้งให้ปรากฏขึ้นมาเป็นมงคลอย่างยิ่งตามที่พระ พ, พุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ ก็พอสมควรแก่เวลาของการแสดงธรรมสำหรับวันนี้เพราะเราได้กําหนดกันไว้ว่าประมาณสามสิบนาทีเพราะจะแบ่งอีกสามสิบนาทีไว้เป็นการมาปฏิบัติธรรมมาภาวนาขั้นต้นคือสมถะภาวนามาสกัดกัน้นหยุดความอยากไว้ชั่วข่าวด้วยการเจริญสติหยุดความคิดหยุดความคิดหยุดจิตให้นิ่งทาจิตให้นิ่งได้ตัญหาความอยากก็ทางานไม่ได้ พอตันหาหยุดทํางานความสุขที่ามาสะใจก็โผล่ขึ้นมาทันทีนั่งต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องก็คือต้องมีสติคือการระลึกรู้ปูกใจให้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบอารมณ์ก็มีหลากหลายแต่ในวงการปฏิบัติเราจะใช้อารมณ์ 2- อสามชนิดด้วยกันถ้าเรายังไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ใช้พุโทโธก็ได้หรือใช้การดูร่างกายไปก็ได้ ผูกใจให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าร่างกายจะทําอะไรก็อย่าให้ใจลอยไปที่อื่นให้อยู่กับร่างกายหรือจะใช้คําบริกรรมพุทโธก็ได้พอละเมืนั่งสมาธิก็สามารถเลือกได้จะใช้คําบริกรรมพุทโธต่อก็ได้หรือจะเปลี่ยนมาเป็นการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้ให้ดูเฉยเฉยไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมเข้าลมออกให้อยู่ที่ปลายจมูกจุดเดียวหรือถ้ายัางพุทโธไม่ได้ยัง ดูลมไม่ได้เพราะใจยังคิดมากอยู่ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปจนกว่าความฟุ้งซ่านจะหายไปเราสามารถมาดูลมหรือมาพุโทโธได้ก็ค่อยเปลี่ยนกลับมาดูลมหรือพุโทโธต่อไปให้อยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธไปจนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาถ้ายังไม่รวมอย่าอย่าทิ้งพุโทโธอย่าทิ้งลมหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้แล้วแต่เราจะจะใช้ เวลามีอะไรมาปรากฏมารบกวนใจก็อย่าไปตามรู้อย่าไปตามเห็นเสียงเข้ามาก็อย่าไปตามมันไปรูปขึ้นมาความคิดอะไรขึ้นมาก็อย่าไปสนใจผูกใจให้อยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจิตจะสงบรวมเนี้ยแล้วนิ่งสงบพอนิ่งสงบแล้วลมก็หมดไม่ไม่ต้องดูไปพุทโธก็หยุดไปได้โดยอัตโนมัติพอรู้แล้วว่าตอนนี้จิตไม่คิดอะไรแล้วจิตอยู่นิ่งเฉยเฉยจิตมีความสุขอย่างยิ่ง นี่คือเป้าหมายของการภาวนาเพื่อให้จิตรวมสงบเป็นหนึ่งให้นิ่งสงบให้เกิดความสุขันยิ่งใหญ่ให้จิตวางเฉยเป็นอุเบกขาได้และต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลาประมาณ20กว่านาทีด้วยกันตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิก ขอให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้เพื่อจะได้เอาไปใช้ต่อไปในคราวหน้าอย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบมันจะสงบก็เพราะว่าวิธีนั่งที่ถูกต้องถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีน้อยก็มันจเจริญสติให้มากบีฟอก่อนที่จะมานั่ง สามารถเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวเฝ้าดูว่าร่างกายกำลังทําอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วต่อไปจะมีสติมากขึ้นเวลานั่งสมาธิก็จิตก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุร า, าริปุเรนตีสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดว่าเมวะสมิจฉะตุสัพเพบุเรนตุสังขปาจันโทปนะราสโอยาธาเมริโชติรัสโอยาธาสัพพิตยวิวัจันตุสัพพะโรควินัสตุ มาเตภวตวันตาลาโยสุขิทีคาโยโกภวะอภิวาทนศิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมวะทานติอายุวันโสุขังภาลังสาธุ ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะได้คำตอบเพราะถ้าหลังจากเลิกกันแล้วจะมาขอถามนี่ต้องขออภัยเพราะว่าไม่สะดวกงั้นถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ กราบเรียนครับผูาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทางเฟซบุ o กผูาจารย์สุชาติ289ท่านทาง y u ูทูบผูาจารย์สุชาติ308ท่านทาง y o u t u ดร Dr. วี34ท่านทางวิทยุออนไลน์10ท่านทางขับเฮ u s ์3ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ91ท่านรวมทั้งหมด735ท่านครับ กับนักชการผู้อาวุโสค่ะต่างชาตก็จะถามอะไรบ้างเขาเขาจะให้ล่ามโทรคุยกับพระอาวุโสค่ะเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้กดฮันพูดได้เลยให้เขาพูดให้เขาถามได้เลยอ่ะว่ามาเลยประหารค่อเขาถือสิทธยากนะครับแล้วเขาก็ทอดอสิทธิตลอดนะครับ ก็รู้ว่าต้องแ ก, ก้ยังไงครับคือรักษ<อ>าศีลรักษ<อ>าศีลไม่ได้ใช่ไหมอ่าใช่ๆ่แล้วก็ร่างสรรมานิชไม่ได้อ่าแล้วบางทีบางในธรรมะแพ่งลงหายใจเข้าออกเข้าออดแต่ว่าอ่าไม่สามารถแพ่งนานๆนะครับอ่าแล้วก็จิตระยะผมต้องต้องพุโทโธไปทั้งวันก่อนได้ไหมของเขาไอ้ก็ท่องพุทโธพอลืมตายขึ้นมาก็พุทโธพอ่าไม่เคยทาครับแต่ว่าสมา ลองทำดูให้เขาท่องพุโทโธไปภายในใจพอท่องพุโทโธแล้วก็จะไปคิดทำบาปไม่ได้ไปคิดทำอะไรไม่ได้เพราะมีพุโทโธคอยขวางอยู่ครับแต่ว่าเาก็มีเรื่องหนึ่งที่กบบเป็ น, ปนห่วงอยู่ก็คือถ้าเข า, เาต่องพุโทโธตลอดว่ตาตเราเวลานะครับน่จาจะถือว่ามันคิดมันซีเรียจกนไปนะครับแล้วก็อาจจะไม่ดีบ้างอาจจะมีโอกาสที่ มันเข้มงวดในการปฏิบัทิมากเกันไปหรือเปล่าถ้าอยากจะได้ผลก็ต้องเข้มงวดถ้าไม่อยากได้ผลก็ไม่ต้องเข้มงวดบอกเขาว่าตอนนี้ทำใบเท่าที่ทำได้ก่อนให้นึกถึ ง, ถงพุทโธท้าเท่าเท่าที่ทำได้แล้วอพอเขาเห็นประโยชน์ของการมีพุทโธแล้วเขาก็าอยากยึดท่างพุทโธมากขึ้นเอง ขอ ALLY, <c oughs> <c oughs> ขอขอได้อาจารย์สุณธรรมะเกิดนะครับสาธุสาธุสาธุค่ะ thank you เชียร์เชีค่ะจากผู้รับฟังธรรมะนกุฏิฝากถามเข้ามาว่ากราบธรรมศาสการพระราชาครับ ผมเคยทำผิดศีลข้อสตอนนี้ตั้งใจกลับตัวรักษาศีลห้าและนั่งสมาธิทุกวันแต่เวลานั่งสมาธิจิตจะฟุ้งและเหงื่อออกมากแม้ในห้องจะอากาศเย็นอยากเรียนถามว่าเป็นเพราะอะไรครับและควรทำอย่างไรให้จิตสงบกว่านี้ครับสติมีกำลังไม่มากก็เลยทำให้จิตเครียดเวลานั่ง ต้องฝึกสติไปทั้งกทั้งวันก่อนที่จะมานั่งพยายามเราเลือกถึงพุทโธพุทโธไปในใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วพอเรามีสติมากขึ้นเวลามานั่งก็กําลังสติก็จะมีมากก็จะทำให้ไม่เครียดทำให้นั่งได้อย่างสบาย สชาค่ะคำถามจากผู้รับฟังธรรมะ น, นากุติเราสามารถแผ่เมตตาส่งจิตให้กับสัตว์ได้ไหมล่ะคะเช่นแผ่ให้สุนัขที่คู่ใส่เราเวลามีเวนว่าอย่ามีเวณแก่กันและกันเลยจงเป็นสุกเถิดไม่หรอกเวลาแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยกิริยาการกระทำถ้าเจอมาก็เอาขนมให้มันกิ น, นเดี๋ยวมันก็รักเราเองเชาค่ะจอดทางยู เมื่ออินทรียังไม่แข็งแรงจะรักษาตัวจากกิเลสตันหายได้อย่างไรก็รักษาด้วยจิตต้องให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปคาถานีวิเศษที่สุดกิเลสกลัวมากที่สุดก็คือพุโทโธพอที่ถึงพุโทโธกิเลสถอยหมอบเลยใช่ค่ะาจากยูทูบเจ้าสาวภาวนายังไม่ถูกจะตัดความอยากได้อย่างไรคะ กลับขอคําแนะนําด้วยค่ะก็เริ่มต้นที่สติก่อนการภาวนาต้องเริ่มต้นที่สติเหมือนกับการเรียนหนังสือก็ต้องเริ่มต้นที่กอไก่ขอไข่ถ้าข้ามกอไก่ขอไข่ไปก็เรียนไม่รู้เรื่องอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องหัดท่องกอไก่ขอไข่ไว้ก่อนการภาวนาสมาธิหรือปัญญาก็ต้องอาศัยสติเป็นผู้นําพาไปก่อนนั้นต้องมีพุโทโธพุโทโธอยูใอย่ในใจอยู่บ่อยๆมากๆแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายเวลา คิดทางปัญญาให้หยุดความอยากก็จะหยุดความอยากได้ง่ายชาวจากทาง youtube ลูกขอปัญญาจากหลวงพ่อครับรูปปาถนาถึงความตายหมายถึงการปล่อยวางกายสังขารถูกถูกทกได้ไหมครับปาทนาไม่ทุกข์กับความตายได้อยู่อย่าอย่าไปปาทนาความตายเพราะเป็นการฆ่าตัวตายมันก็จะเป็นบาปปล่อยให้ร่างกายมันตายเองแต่เวลาที่มันจะตายเราอย่าไปทุกข์กับมัน คือเราต้องปล่อยวางมันปล่อยให้มันตายเจ้าค่ะในการคลองตนเป็นค า, ารวาสถ้าเราไม่บวชเราสามารถถือศีล227ข้อได้หรือไม่ก็ไม่มีข้อห้ามแต่ไม่มีใครบ้าจะไปถือศีล227ข้อข้อเดียวยังถือไม่ค่อยได้เลยถือทั้ง227ข้อ เจ้าค่ะจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายและสั่งสอนเรื่องทุกข์ในขันและทุกข์ในอริยศาสตร์ด้วยครับทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงในขันขันเป็นของไม่เที่ยงเช่นร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันเกิดแก่เจ็บตาย mm hmm. พอเราไปอยากให้มันไม่แก่เจ็บตายเราก็ทุกข์ขึ้นมา mm hmm. ตัวขันมันไม่ทุกข์หรอกแต่ตัวใจไปทุกข์กับขัน mm hmm. อันนี้อนะันนึงเรียกว่าทุกข์ขันทุกข์ขังนี่อยู่ในใจอยู่ในอริยาศาสตร์ส ทุกข์ริยสัจสีก็คือทุกข์ที่เกิดจากความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตัวนี้จะทำให้ใจทรมานมากเวลาอยากขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาแก่เจ็บตายจะรู้สึกเฉยเฉยจะไม่ทุกข์กับมันใชาค่ะจาก Facebook นั่งสมาธิแล้วมีภาพปรากฏเช่นภาพกระบองเพชร ได้สติกลับคืนมาดูลมหายใจใหม่แบบนี้ใช้ใช้ได้ใหม่เจ้าคะ่ะถูกต้องอย่าไปตามรู้อะไรทั้งสิ้นสิ่งที่ปรากฏนี่เป็นของหลอก <c oughs> ของที่จะมาล่ออให้เราไม่ได้ไม่ได้เข้าสมาธิถ้าอยากจะเข้าสมาธิต้องอยู่กับกรรมฐานอย่างเดียวถ้าใช้ลมก็อยู่กับลมอย่างเดียวไปถ้าใช้พุทโธก็อยู่พุทโธไปอย่างเดียวถ้าไปอยู่กับเรื่องอื่นปั๊บมันจะเข้าไม่ได้เลย <c oughs> จ้าค่ะจากผู้รับฟังธรรมานากุติกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามค่ะว่าลุงที่เราเคารพเพิ่งจะเสียเมื่อเช้าบุญที่ลูกทำทานไปให้ท่านในวันนี้ท่านจะได้รับหรือไม่เจ้าค้ะสาธุค่ะแล้วแต่ดวงวิญญาณของท่านว่าท่านรอรับอยู่หรือเปล่า ใชค่จะาจากหน้ากุติจะค่ะเวลาทําสมาธิมักจะมีบางสิ่งอยู่ที่หัวค่ะแล้วจิตก็ไหลไปแปะที่หัวพอรู้ทันก็จะไม่ไม่ไหลแต่ส่วนมากจะไหลไปแปะค่ะเราจะทําอย่างไรดีคะถึงจะเกิดสติค่ะพราสติเราน้อยไปเราต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่งลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปในใจฝึกสติไปให้มากแล้วพอเวลาไปนั่งจิตมันก็จะไม่ มันก็จะไม่วิ่งไปไหนมาไหนตอนนี้มันวิ่งเพราะไม่มีใครดึสติดึงมันไว้ใช้พุโทโธดึงมันไว้เอาไปเวลานั่งให้มันอยู่กับพุโทโธมันก็จะไม่ไปไหนยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะมีคําถามแต่ไหมต่อไหมเอาใจไหมอ่ะส่งส่งมาให้ไปหน่อยนี่ฮัลโหลฮัลโหละอาจารย์ครับคือ มันมันก็มีบางช่วงที่มันไม่ไหลพอมันไหลมันก็มีมันก็มรำค่ ก, ก็เกิดสติแต่บางช่วงก็ไม่มีสติแล้วก็เวลาหนูดูลมไปเรื่อยๆบางทีก็มีความสว่างบางทีก็มีอยู่กับพระอาจารย์ส่วนมากเวลานั่งกับพระอาจารย์นะคะจะรู้สึกว่ามีสมาธิได้ดีแต่พอไปนั่งที่ห้องตัวเองไม่ค่อยเกิดสมาธิต้องมีเสียงครูบาอาจารย์คอยนํา ก็มีส่วนบางทีสติเราไม่พอเราต้องอาศัยกำลังภายนอกมาช่วยถ้าเราอยู่ในที่ที่มีคนนั่งสมาธิเราก็ไม่เราก็ต้องนั่งเราก็เลยต้องมีสติเรามัดนระวังมากขึ้นก็จะบังคับใจมากขึ้นแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีใครดูเราไม่เห็นเราเราก็ปล่ยสบายสบาย <c oughs> ส, สบายสบายสติก็น้อยลง <c oughs> พอถึงเวลามันอยากจะเริ่ ม, มันก็เริมขึ้นมา อย่างนี้หนูควรฝึกมีบริกรรมเครื่องเป็นเครื่องอยู่ระหว่างวันใช่ทั้งวันเลยถ้ารับถ้าเป็นไปได้หรือคอยสังเกตดู ว, ว่าร่างกายเรากําลังทําอะไรก็ได้กําลังกินข้าวก็อยู่กับการกินข้าวอย่างเดียวตักข้าวเข้าไปในปากเคี้ยวคืนให้รู้อยู่กับตักข้าวเคี้ยวคืนอยู่อย่างเงี้ยอย่าให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถ้าฝึกอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ไปมันก็จะมีสติมากขึ้นแล้วาขาดสติกัน ค่ะแล้วตอนเวลานอนเมื่อวานรู้สึกว่ามันมีมันไม่รู้ว่ามีสติหรือว่ามีสิ่งมาลบกวนแต่มันจะทําให้แบบมีทุกสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมันก็รู้สึกเหมือนมันรู้สึกทั้งร่างกายนี่มันเกิดจากอะไรคะไม่ต้องไปสนใจว่ามันเกิดจากอะไรให้รู้ความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางมันอย่าไปยุ่งกับมันกรับมาที่พุทโธพุทโธไปอ๋อค่ะมันมีปรากฏการณ์เยอะแยะเป็นหมดเราไปค้นหาสาเหตุไม่ได้ทั้งหมดเสียเวลาประ่า ให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติกับมันก็คืออย่าไปยุ่งกับมันไนดะ้ปล่อยมันไปปล่อยมันมาปล่อยมันไปมันเป็นอนิจจังอนัตตาเราไม่สามารถไปสั่งไปห้ามมันได้แต่เราท่ามใจเราไม่ไปวุ่นวายกับมันได้ให้อยู่กับพุทธโธไปขอขอพระคุณแล้วก็ขอขอมา ด, ะะด้วยนะคะะสาธุคำถามจากทางยูทูเจค่ะ เมื่อจิตสงบว่างพิจารณาทางปัญญาในปัจจุบันขณนะนั้นแค่รู้ดูไปเขาก็หยุดคิดเองไม่ต้องทำอะไรเป็นปัจจุบันเรื่อยๆแค่นั้นใช่ไหมเจ้าคะคือปัญญามันต้องเกิดเวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาเราพิจารณาเห็นว่าทุกข์เราเกิดจากความอยากแล้วหยุดความอยากนั้นเสียแล้วทุกข์ก็จะดับไปถ้าใจไม่เป็นอะไรปกติก็ใช้ปัญญาก็ไม่เกิดประโยชน์ นอกจากว่าเตรียมตัวซ้อมไว้ก่อนเท่านั้นเองแต่ปัญญาจะเห็นผลจะเป็นประโยชน์ก็ตอนที่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเหมือนกับร่างกายเนี่ยถ้าเราไม่รับร่างกายเป็นปกติยาก็ไม่มีประโยชน์อะไรกินเข้าไปก็ไม่รู้สึกมีความแตกต่างอย่างไรแต่ถ้าเราปวดตรงนั้นปวดตรงนี้แล้วกินยาแก้ปวดเข้าไปแล้วมันหายเนี่ยเราก็จะเห็นคุณของยาปัญญานี้เป็นเหมือนยารักษาโรคใจคือความทุกข์ต่างๆ ถ้าไม่มีความทุกข์พิจารณาทางปัญญาไปมันก็ไม่มีผลแตกต่างอะไรมันก็ไม่มันไม่ได้ไปดับความทุกข์แล้วสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมีความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วใช้ปัญญาวิเคราะห์หาดูสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาพระละตัณหานั้นเสียใจก็จะหายทุกข์แต่ถ้าเราอยากจะพิจารณาตอนที่นั่งก็ตอนที่ใจไม่ทุกข์ก็ได้แต่เป็นการซ้อมไว้ก่อนซอมามว่าเวลาเราจะตายนี่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่อยากตาย ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหยุดคำไม่อยากตายเสียปล่อยให้ร่างกายมันตายไปต่อไปเวลาถึงเวลาเราก็จะได้ทำข้อสอบได้ถ้าเราไม่ซ้อมไม่ก่อนพอถึงเวลาทำข้อสอบคิดไม่ออกหาคำตอบไม่ได้ชาจ้าขาสักทาง a c e บุ๊ k ขออนุญาตถานเพิ่มครับทุกทางอารมณ์ทางที่กายไม่ทุกถือถือว่าเป็นทุกข์ ทุกสัตว์ไหมทุกอะไรทุกในจิตทุกในจิตเวลนนิดจังทุกขังอนัตตาทุกในอารมณ์ไม่ใช่ทุกในอริยสัจบางทีได้ข่าวไม่ดีมามันก็เกิดความทุกข์ใจได้ร่างกายก็เป็นปกติไม่เป็นอะไรแต่พอได้ข่าวไม่ดีมานีใจก็เสียใจขึ้นมาอันนี้ยังยังถือว่าเป็นทุกข์ในในขันอยู่ทุกในญนตนะทุกในไม่ใช่ทุกในอริยสัจ ตงนี้วิทยาศาสตร์ก็คือไปเครียดกับมันเนี่ยถึงจะเอาได้ข่าวไม่ดีก็ไปเครียดกับข่าวไม่ดีขึ้นมาทุกสองชั้นนี่ทุกชั้นแรกก็ทุกที่เกิดจากมีข่าวไม่ดีทุกชั้นที่2ก็คือไปเครียดกับข่าวไม่ดีแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็รับความเครียดได้มันเป็นธรรมดาข่าวในโลกนี้ก็มีข่าวดีบ้างข่าวไม่ดีบ้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนนาตามันเป็นอนิจจังนะ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็รับรู้ไปเฉยๆใจเราก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์กับข่าวต่างๆแล้วอย่างมีอย่างสมมุติว่ามีญาติญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตเนี่ยค่ะแล้วเราไม่สามารถไปในงานศพได้แล้วเราก็เส่งเงินไปช่วยจํานวนหนึ่งเราเราก็ไม่ทุกข์ไม่อะไรแล้วก็ถูกญาติพี่น้องต่อว่าว่าเราใจดำหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ทุกข์เลยแบบนี้ถ้าไม่ทุกข์มาถามเราทำไมเราไม่ตอบ ต้องไม่รู้สึกอะไรเลยออ่ต้งก็เรื่องของเขาปากของเขาเราทําหน้าที่ของเราแล้วถ้าที่เราทําได้ถึงแม้เราไม่ได้ไปไม่ส่งเงินไปมันก็ไม่ไม่อายด่าก็เราก็ห้ามเขาไม่ได้อยู่ดีอย่าเรื่องลินทาสารเสริจงั้นก็เป็นโลกกระทําอยู่ในนอกนี้บางทีก็ต้องเจอคนก็ชมบางทีก็เจอคนก็ด่าก็เป็นอันนี้จังเหมือนกันไม่เที่ยงพลิกไปพลิกมาอนน้ตาเราก็กลุ้มบังคับไม่ได้ถ้าเราอยากให้มีแต่ชมไม่มี ดาเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเวลาโดนด่าเจ้า่าจากทาง YouTube ผมดูแลคนแม่ที่แก่ชราป่วยเป็นพาร์กินสันช่วยเหลือตัวเองได้นิดหน่อยตลอด24ชั่วโมงเหมือนมีความเครียดสะสมผมควรวางใจอย่างไรหรือปฏิบัติทำอย่างไรครับเราก็ทำหน้าที่ดูแลท่านไปทางร่างกายป็นเวลาให้ข้าวท่านก็เอาเข้าวมาให้ท่านกิน อับน้ำหรือทำอะไรทางร่างกายแต่ทางจิตใจนี้เราเราช่วยท่านไม่ได้นอกจากว่าถ้าท่านสนใจธรรมะเราก็หาธรรมะมาให้ท่านฟังให้ท่านนั่งสมาธิเงี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาความทุกข์ทางใจของท่านได้แต่เราไม่สามารถไปสอนไ่บอกท่านได้ถ้าท่านไม่ต้องการถ้าท่านต้องการาช่วยเปิดธรรมะให้ฟังหน่อยสิก็เปิดธรรมะให้เอาไปมา เจ้าคจากทางยูทูบสอบถามพระอาจารย์ว่าอนุภาพพุโทโธโดยการหายใจเข้าพุทธออกโธหรือบริกรรมพุโทโธจะทําให้สําเร็จเดีวกว่าการดูแลการดูจิตและเห็นร่างกายหายใจเดินไหมคะมันก็เป็นวิธีต่างๆที่จะใช้ในเวลาต่างกันถ้าร่างกายเคลื่อนไหวนี่ดูร่างกายมันจะง่ายกว่าดูลมลมละเอียดกว่าดูยากกว่า ดูล่างกายมันชัดมันมันง่ายแต่ถ้าเวลานั่งร่างกายไม่เคลื่อนไหวก็ต้องดูลมอย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่วาระแต่การใช้พุโทโธนี้เราใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะเคลื่อนไหวหรือไม่จะนั่งเฉยๆเราก็ใช้พุโทโธได้แต่มันก็แล้วแต่จลิตของแต่ละคนบางคนก็ไม่ชอบพุโทโธไม่ชอบท่องชอบดูก็ดูไปบางคนไม่ชอบดูชอบท่องก็ท่องไป เจ้าค่ะจากเฟซบุ๊กค่าทุกทางอารมณ์ทางที่กายไม่ทุกถือว่าเป็นทุกในขันหรือทุกในอริยาศาสตร์ครับก็ทุกในอารมณ์ก็ยังเป็นทุกในขันอยู่ทุกในอริยาศาสตร์ก็คือความมุ่นวายใจไปกับความทุกในอารมณ์เจ้าค่ะจาก ทาง Facebook เจ้าห่ะเขาการดครับเราต้องปฏิบัติอย่างไรจึงได้ชื่อว่าสำรวมอินทรีย์และต้องมีฝึกสติเป็นบารฐานใช่ไหมครับอินทรีย์ก็คือลูกเสียงกินรถตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปดูอะไรที่ทำให้เกิดกกิเลสขึ้นมาอย่าไปฟังอะไรที่ทำให้เกิดกิเลสขึ้นมาวิธีที่ถ้าเรายังควบคุมใจไม่ได้จ้องเจะรูปเสียงกินลดอยู่เรื่อยๆก็หนีไปอยู่ที่ไกลๆไปอยู่วัดป่าวัดเขา ถ้าไปอยู่ก็ตามป่าตามเขารูปเสียงกิีดรยก็จะไม่มากระตุ้นกิเลสแต่ถ้ า, าอยู่ตามบ้านเมืองนี่เห็นรูปก็กิเลกก็เกิดละได้ยินเสียงกิเลกก็เกิดขึ้นมาคนที่อยากจะสำนึกรินสีจริงๆตึ ง, งต้องไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาตามสถานที่สงบสงัดวีเวชเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามอะไรอไหม อย่าเลิกแล้วเข้ามาถามไม่ได้นะไม่มีหลังใหม่นะที่นี่มีหน้าใหมอย่างเดียวใช่ค่ะมีทางยูทูบจ้นานมสัส ก, การกราบเรียนถามครับพระอนาคามีไม่ยึดรูปไม่ยึดเวทนาแล้วใช่ไหมครับคงเหลือแต่สัญญาและสังขารที่ต้องระวงังปล่อยวางลงไปถูกต้องไหมครับไม่ถูกพระอนาคามีไม่ยึดติดกับร่างกายที่สวยงาม ไม่อยากจะมีเพศสัมพันธ์กับใครละการมาราคะได้เพราะเห็นร่างกายมันเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยงามทรงกลิ่นเน่าเหม็นอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เวลาตายก็กลายเป็นซากศพเวลาดูเวลาอยู่ถ้าเปิดท้องเข้ามาเปิดหน้าอกขึ้นมาก็จะเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆ <c oughs> ก็จะทำให้การอารมณ์ที่เคยมีหายไปหมดถ้ามีสสุภะคอยหล่อเลี้ยงจิตใจตลอดเวลา จากเฟซบุ๊กสิค่ะพระโสดาบันท่านยังมีความทุกข์ทางอารมณ์เมื่อตนเองหรือคนที่รักเสียชีวิตไหมครับเรื่อความตายท่านจะไม่มีความรู้สึกอะไรฉ่านถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาในเรื่องกามอยากจะนุ่งหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ยังมีอยู่เวลาแฟนตายไปก็ยังรู้สึกเศร้าส้ยอยเหงาเพราะขาดขาดเพื่อนอยู่คนเดียวยังไม่ได้ต้องมีคู่ครองอยู่พระโสาดาบัน แต่เป็นภาะนาคาเม่นี่อยู่คนเดียวได้ไม่มีความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับใครไม่รู้สึกเศร้าส้อยเหงาเหงาว้าเวเวลาอยู่คนเดียวจากทาง YouTube าดรวีจ้าขณะนั่งสมาธิเมื่อกี้บริกรรมและมีขณะที่เงียบสงบด้วยและสามารถมองเห็นได้ทั้งสองอย่างอยู่ที่เราเน้นน้ำหนักมองด้านไหน อันนี้ถูกต้องไหมคะก็ให้อยู่กับกรรมฐานเป็นหลักอย่าไปดูอย่างอื่นนะจิจะสงบไม่สงบก็ไม่ต้องไปสนใจให้สนใจอยู่กับกรรมฐานถ้าเราดูลมก็อยู่ลมไปอย่างเดียวพรอภูตโธก็อยู่พับอภูตโธไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบนิ่งอย่างเต็มที่ใหม่ๆมันยังอาจจะสลับไปสลับมาสงบบ้างไม่สงบบ้างต่อไปพอสติมากขึ้นกําลังมากขึ้นสติ